ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่18โดยสันตินันหรือพระราโมทปาโมโชในปัจจุบันถามการแยกจิตผู้คิดกับจิตผู้รู้ออกจากกันทำยังไงครับเวลานั้นยังคงเป็นจิตดวงเดียวกันหรือเปล่าครับ เรื่องจิตคิดกับจิตรู้ที่จริงถ้าเราแยกนามธรรมาได้ชำนาญเราจะไม่กล่าวถึงจิตคิดกับจิตรู้เพราะจิตนั้นมันมีคุณสมบัติหลายอย่างตั้งแต่รู้สึกจำคิดรับรู้และเสพอารมณ์หากเราแยกนามได้ชำนาญเราจะพบว่าคุณสมบัติแต่ละอย่างของจิตนั้นก็คือนามขันแต่ละตัวนั่นเอง คือความรู้สึกสุขทุกข์ก็คือเวทนาไม่ใช่จิตความจาก็คือสัญญาไม่ใช่จิตความคิดนึกปรุงแต่งก็คือสังขารไม่ใช่จิตความรับรู้ก็คือวิญญาณไม่ใช่จิตเอาข้อจริงสิ่งที่เราเรียกว่าจิตก็ไม่ใช่จิตแต่เพราะเราไม่รู้เท่าทันไม่ปล่อยให้ขันแต่ละขันเขาทำหน้าที่ของเขา จึงไปยึดเอานางมาทำว่าเป็นจิตเราแล้วให้มันร่วมมือกันทำงานจนหลอกเราได้เช่นพอรู้ว่ามีความสุขก็ยึดเอาว่าจิตสุขหรือเราสุขไม่ได้เห็นว่าความสุขก็เป็นสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราพอมีความจำได้หมายรู้ก็ยึดว่าเราจำได้หมายรู้ไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ไม่ใช่เราพอมีความคิดนึกปรุงแต่งทั้งที่เป็นอกุศลกุศลและเป็นกลางก็ว่าจิตเราดีจิตเราชั่วจิตเราเป็นกลางไม่เห็นว่าความคิดนึกปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราพอมีความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่าจิตเรารับรู้ ไม่เห็นว่าความรับรู้เป็นสภาพธรรมที่เป็นอิสระอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราจิตนั้นอาศัยจิตตสังขารหรือเวทนาสัญญาและสังขารจึงรู้สึกว่าเป็นจิตขอเพียงปล่อยวางนามขันเสียให้หมดไม่เห็นว่าเป็นเราธรรมชาติรับรู้ล้วนๆก็จะปรากฏขึ้นและธรรมชาตินั้น จะไม่มีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าเป็นตัวเราหรือจิตเราอย่าไปสำคัญว่านี่คือจิตรู้จิตคิดจิตจำจิตเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นการประกอบกันขึ้นของนามขันเท่านั้นเองครับรักษาสติสัมปชัญญะไว้ให้แจ่มใสต่อเนื่องรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง รูปและนามเขาจะทำหน้าที่ของเขาไปตามเหตุปัจจัยให้ดูต่อหน้าต่อตาทีเดียวถามธรรมชาติรับรู้คืออะไรครับไม่ใช่จิตแล้วเป็นอะไรธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ก็คือจิตนั่นแหละครับ เพีงแต่เมื่อจิตไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความคิดนึกปรุงแต่งหรือสังขารขันจิตจะไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่ามันคือจิตที่มันคิดว่าอันนี้คือจิตและเป็นเราก็เพราะสังขารหรือความคิดนึกปรุงแต่งนั่นเองท่านจิงสอนว่าสังขารทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขคือจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งนั้นมันเป็นสุขเป็นอิสระ โดยไม่ต้องอิงอาศัยอารมณ์ภายนอกเลยถามการรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงหมายถึงเรารู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนั้นว่าเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นหม่มั่นใช่หรือเปล่าเราเพียงรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ รู้อย่างเดียวก็พอครับไม่จำเป็นต้องไปใช้ความคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เกิดจากอะไรเพราะขณะที่หลงคิดนั้นเราไม่ได้รับรู้สภาพธรรมที่กาลังปรากฏนั้นแล้วแต่หลงไปในโลกของความคิดเสียแล้วก่อนที่เราจะรู้สภาพธรรมหรืออารมณ์ที่กาลังปรากฏตามความเป็นจริงได้นั้นจิตจะต้องมีสัมมาสมาธิเสียก่อนคือจิตจะต้องตั้งมั่นไม่วอกแวก รู้อารมณ์ที่กําลังปรากฏด้วยความเป็นกลางและไม่มีความยินดียินร้ายต่ออารมณ์นั้นจิตจึงจะเห็นสภาพที่แท้จริงของอารมณ์หรือสภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าระหว่างที่รู้อารมณ์อยู่นั้นจิตเกิดความยินดียินร้ายขึ้นแล้วเกิดแรงผลักดันให้เข้าไปยึดถือหรือให้มีพฤติกรรมต่างๆก็ให้รู้ทันจิตใจตนเอง ที่กําลังถูกผลักดันด้วยกระแสตันหาไม่ใช่ไปกดข่มไม่ให้จิตยินดียินร้ายนะครับถามเคยฝึกให้สมองตัวเองว่างโดยการคิดว่าตอนนี้กําลังคิดอะไรอยู่ฉะนั้นพอลองมองดูจิตผมก็เลยไปมองดูว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่ ไม่ทราบถูกหรือเปล่าแล้วก็กลายเป็นว่าหาอะไรไม่เจอครับทั้งความคิดทั้งอารมณ์ขณะนั้นไม่ทราบว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับแล้วอีกอย่างหนึง่งผมจะรู้ได้ยังไงว่าตัวรู้ผมอยู่ตรงไหนครับแล้วตัวรู้มันออกอาการยังไงบ้างครับผมแยกไม่ออกระหว่างความคิดกับรู้ตัวครับเรื่องตัวรู้นั้น มันไม่มีตัวมีตนหรือมีจุดมีดวงอะไรหรอกครับเอาเข้าจริงในการปฏิบัตินั้นก็มีแต่เรื่องจิตกับอารมณ์จิตเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้นึกส่วนอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมหรือสิ่งที่รู้ได้ทางใจเวลาที่คุณเกิดความสงสัย ถ้ามีสติระลึกรู้เข้าไปที่ความรู้สึกสงสัยนั้นไม่ใช่รู้เรื่องที่สงสัยนะครับแต่รู้ที่ความรู้สึกสงสัยจะเห็นชัดว่าความสงสัยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ในร่างกายและจิตใจเรานั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้ไปรู้ความสงสัยนั้นเข้าอันนี้แหละครับที่สมมุติเรียกไปก่อนว่าผู้รู้เอาเข้าจริง ผรู้ก็คือจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอุเบกขาเอกคตาหรือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสมาธินั่นเองคือเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ที่มีความเป็นกลางและตั้งมัน่นไม่หลงไหลไปตามอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าหมายเหตุผู้อ่านพระอาจารย์ปราโมทท่านเขียนกำกับไว้ว่าผมจงใจใช้คําว่าหลงและไหลในเครื่องหมายคําพูด ไม่ได้ใช้คำว่าหลงไหลซึ่งสะกดติดกันในขั้นแรกอย่าพยายามไปค้นหาจิตผู้รู้เพราะหาอย่างไรก็หาไม่พบเนื่องจากจิตกำลังหลงอยู่กับอาการเที่ยวค้นหาผู้รู้แต่ให้พยายามรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏไปก่อนเช่นสงสัยก็รู้ว่าสงสัยเห็นชัดว่าความสงสัยไม่เที่ยงคือมีระดับความรุนแรงของความสงสัยที่ไม่คงที่ เดี๋ยวก็สงสัยมากเดี๋ยวก็สงสัยน้อยเดี๋ยวก็ดับหายไปจิตก็จะว่งว่างอยู่ต่อมาความคิดเกิดขึ้นอันนี้อย่าไปเพ่งใส่ความคิดนะครับมันจะดับไปเฉยๆควรปล่อยให้จิตมันคิดของมันไปเมื่อจิตทำงานอยู่อย่างนั้นไม่นานก็จะเห็นกิเลสตัณหาต่างๆเกิดขึ้นอีกหรืออาจเกิดเวทนาเช่นรู้สึกเป็นสุขสบายหรืออึดอัดขัดข้องใจ ก็ให้รู้สภาวะธรรมทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นนั้นในลักษณะเดียวกับที่รู้ความสงสัยนั่นเองคือให้รู้มันในฐานะที่มันถูกรู้แล้วมีผู้รู้เป็นคนดูอยู่ต่างหากหัดทำอย่างนี้ไปไม่นานก็จะเข้าใจได้ว่าอะไรคือจิตหรือผู้รู้อะไรคืออารมณ์หรือที่ถูกรู้และเห็นสิ่งที่ถูกรู้แสดงตรัยลักษ์อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเห็นด้วยว่าเมื่อใดจิตเกิดความยินดียินร้ายต่ออารมณ์จิตเข้าไปยึดอารมณ์จิตจะเกิดทุกข์พอรู้ทันอย่างนั้นจิตจะกลับมาตั้งมั่นเป็นกลางและรู้อารมณ์ต่อไปอีกจิตเพียงรู้สักว่ารู้จะเห็นอารมณ์เกิดดับไปเรื่อยๆโดยจิตเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ก็ให้เพียรปฏิบัติไปมากๆครับ ถามในพาหิยะสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ได้กล่าวถึงการบรรลุอรหัตผลของท่านพาหิยะเมื่อได้อ่านครั้งแรกผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไรเพียงคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่น่าจะทำให้คนคนหนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลได้เลยไม่มีเหตุผลกลใดเลยที่จะทำให้เราคิดออกว่า จะเป็นไปได้ด้วยเหตุผลกลใดผมไม่สงสัยในความเป็นไปได้แต่ผมสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรถ้าสติปัญญาทำงานทันผัสสะจริงๆจึงจะสักแต่ว่าได้ครับคือจิตไม่ปรุงแต่งต่อไปรู้ละวางอยู่แค่นั้นเลยหรือแม้ว่าจิตจะปรุงแต่งต่อไปอีกถ้าจิตไม่หลงยึดถือไปตามความปรุงแต่งนั้น อันนี้ก็ยังถือว่าศักแต่ว่าได้เหมือนกันเมื่อวานซืนยืมลูกคุณหมอท่านหนึ่งมาเป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาคือชี้ให้ดูว่าสิ่งที่เห็นเป็นเด็กนั้นที่จริงคือสีที่ตัดกันเท่านั้นแล้วตาก็ไม่รู้หรอกว่านี่สีอะไรรวมกันแล้วเป็นรูปอะไรอาศัยสัญญาจึงรู้ว่านี่เป็นรูปที่บัญญัติเรียกว่าอะไร เมื่อจิตรู้ว่านี่คือลูกแล้วสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งก็ทำงานต่อมีความรักเกิดขึ้นปกติจิตของเราทำงานเร็วมากในทางทฤษฎีถ้าตาเห็นสีแล้วหยุดอยู่เพียงนั้นก็เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นแต่ในความเป็นจริงช่วงต่อระหว่างที่ตาเห็นสีกับสัญญาแปลความหมายนั้นสั้นมาก พอเห็นปุ๊บก็สรุปว่านี่คือลูกเราเสียแล้วแล้วสังขารก็ทำงานอย่างรวดเร็วปรุงเป็นความรักใคร่ห่วงแหนห่วงใยขึ้นมาแล้วนัดปฏิบัติที่ยึดตา ร, รามากเกินไปที่บอกว่าทําสติรู้สีอย่างเดียวนั้นเอาเข้าจริงจึงเป็นการหลอกตัวเองเพราะพอเกิดผัสสะทางตาแล้ววับเดียวก็เกิดผัสสะทางใจตามมาแล้ว ถ้าเมื่ออารมณ์ทางใจเกิดขึ้นและทำเป็นไม่รับรู้เพราะอยากรู้สีอย่างเดียวเพื่อให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องมันจึงไม่ใช่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันย้ายไปเป็นอารมณ์ทางใจซส้ยแล้วเมื่ออารมณ์ทางใจปรากฏเด่นชัดก็ควรรู้มันไม่ใช่ปฏิเสธมันเพราะจะเอาแต่รู้อารมณ์ทางตาอย่างเดียวแต่การรู้อารมณ์ทางใจนั้น ก็ให้สักแต่ว่ารู้คือรู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่หลงปล่อยให้เกิดตัณหาผลักดันจิตให้ทยานเข้าไปยึดอารมณ์แบบไม่รู้ทันรวมความแล้วสักแต่ว่าก็ต้องอาศัยสติรู้อารมณ์ตามที่มันเป็นตามที่คุณถามไว้นั่นเองแม้ตอนแรกจะรู้อารมณ์ทางตาขณะต่อมารู้อารมณ์ทางใจก็สามารถสักแต่ว่ารู้ได้ทั้งนั้น ทั้งที่ตาและที่ใจหากไม่สักแต่ว่ารู้อะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปฏิจจสมุปบาทจากผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติจนถึงทุกข์นั่นเองหากสักแต่ว่ารู้แม้มันจะก้าวกระโดดจากการรู้สีด้วยตาไปรู้ธรรมารมทางใจก็ตามจิตที่ไม่หลงยินดีไปกับธรรมารม ก็จะไม่ปรุงแต่งจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาคาว่าสักแต่ว่าจึงเป็นสิ่งที่จะตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาทให้ขาดตอนลงไม่เกิดตันหาอุปาทานขึ้นหรือแม้เกิดตันหาก็ไม่หลงและไหลตามตันหาไปจนเป็นอุปาทานท่านพระพาหิยะฟังธรรมแค่สักแต่ว่าสักแต่ว่าเพียงหนึ่งถึงสองคำท่านเข้าใจ และตัดองจรปฏิจจสมุปปะบาทขาดและท่านก็เข้าใจปฏิจจสมุปปะบาทหรืออริยสัจ ต, ตลอดสายคือรู้ว่าทุกเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรอวิชชาความไม่รู้ก็ขาดออกจากจิตของท่านในขณะนั้นบทความจากฟรีแมกซินออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่18 เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภาพรมดต